ตราดผ่านท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่ส2องธันวาคมพุทธศักราชส5 5 2เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภาวกิจการงานต่างๆ จึงได้ใช้เวลาว่างนี้เพื่อมาทําคุณทาประโยชน์ให้แก่จิตใจที่เป็นองค์ประกอบที่สาคัญที่สุดของชีวิตเพราะใจนี้เป็นที่ตั้งของความสุขและของความทุกข์ทั้งหลายใจเป็นผู้สร้างความสุขและความทุกข์ทั้งหลาย ใจจะสร้างความสุขได้ใจต้องมีบุญมีกุศล ม, มีความเห็นที่ถูกต้องถ้าใจมีความเห็นผิดใจก็จะไม่สามารถสร้างบุญสร้างกุศลให้ได้แก่ใจเพราะเมื่อมีความเห็นผิดแล้ว ใจก็จะเห็นสิ่งอื่นสำคัญกว่าใจนั่นเองใจจะหลงเห็นว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราเป็นของเราเราต้องดูแลรักษาร่างกายของเราอย่างสุดชีวิตยิ่งเราหลงอย่างนี้มากเท่าไหร่ก็จะสร้างความทุกข์ให้แก่ใจมากขึ้นไปเท่านั้น เพราะร่างกายนี้ไม่เราไม่สามารถที่จะรักษาให้อยู่ไปได้ตลอดนั่นเองแต่ถ้าใจเราไม่รู้ไม่คิดถึงความจริงอันนี้ใจก็จะทุ่มเทชีวิตจิตใจไปกับการดูแลรักษาร่างกาย จนเลยเถิดไปทำให้ลืมถึงการดูแลรักษาใจที่เป็นความที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดความสุขความทุกข์ของใจและความสุขความทุกข์ของร่างกายนี้มีน้ำหนักต่างกันความสุขความทุกข์ของร่างกายนี้ ไม่มีน้ำหนักเท่ากับความสุขความทุกข์ของใจใจความสุขความทุกข์ของใจนี้มีน้ำหนักมากกว่าร่างกายหลายร้อยหลายพันเท่าเลยทีเดียวยกตัวอย่างถ้าใจมีความสุขแล้วต่อให้ร่างกายมีความทุกข์อย่างไรใจจะไม่เดือดร้อนกับความทุกข์ของร่างกายเลย ในทางตรงกันข้ามถ้าใจมีความทุกข์ต่อให้ร่างกายมีความสุขมากน้อยเพียงไรก็ไม่สามารถที่จะมาลบล้างความทุกข์ภายในใจได้คนเราบางเวลาร่างกายก็เป็นปกติไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแต่อย่างใดแต่ใจกลับมีความทุกข์อย่างยิ่ง ความเป็นปกติของร่างกายนี้ไม่สามารถที่จะมาลบล้างความทุกข์ความวุ่นวายใจได้เลยในทางตรงกันข้ามถ้าใจสงบใจสบายร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างไรก็จะไม่เดือดร้อนจะรู้สึกเฉยเฉยจะรู้สึกว่าเป็นปกติเป็นเรื่องธรรมดา แม้แต่ในายามที่ร่างกายต้องตายไปใจก็จะรู้สึกเฉยๆไม่ไม่ไม่หวั่นไหวแต่อย่างใดเช่น <c oughs> ใจของพระพุทธเจ้าตอนที่ทรงสเสด็จปรินิพพานพระองค์ก็ทรงประทับอยู่ในอิรียบสีห์สายญาตนอนตะแคงขวาแล้วก็กำหนดจิตให้อยู่ในความสงบ อยู่ในสมาธิขั้นต่างๆอยู่ในฌานขั้นต่างๆจนถึงวาระสุดท้ายของร่างกายใจของท่านไม่ได้เดือดร้อนกับการเป็นไปของร่างกายแม้แต่น้อยนิดเพราะใจของท่านมีบุญมีกุศลได้รับมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบที่เห็นว่าใจนี้สำคัญแต่ กว่าสิ่งอื่นใดในโลกจึงได้ทุ่มเทชีวิตของพระองค์มาสร้างบุญสร้างขุศลเพื่อดูแลรักษาใจให้อยู่อย่างสงบให้มีความสุขไปตลอดเวลาพระพุทธเจ้าทรงมีพระราชสมบัติมากมายมีปราสาทสามฤดูมี บริสตทบริวารเป็นจำนวนมากแต่พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆนั้นไม่สามารถดับความทุกข์ความกังวลใจของพระองค์ได้ดับได้ก็เพียงแต่ความหิวของร่างกายเท่านั้นเองแม้แต่ความเจ็บปวด เจ็บไข้ได้ป่วยหรือความตายของร่างกายทรัพสมบัติเข้าของเงินทองที่พระ อ, องค์ทรงมีอยู่ก็ไม่สามารถที่จะยับยัง้งหรือดับเขาได้พระพุทธเจ้าจึงสละพระราชสมบัติในพระปัรษาพระฉันษาที่29แล้วก็ออกไปบำเพ็ญ บุญกุศลสร้างความสุขให้แก่พระไทยของพระองค์จนได้ตัสรุระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณได้บุญกุศลขั้นสูงสุดคือพระนิพพานมาเป็นที่พึ่งของใจใจที่มีพระนิพพานแล้วหลุดพ้นจากความทุกข์กประการทั้งปวงไม่ว่าจะทุกข ทางกายหรือทุกทางใจจะไม่มีมากระทบกับพระไถยของพระองค์เลยและทุกข์ที่เกิดจากการเวียนว่ายตายเกิดหรือทุก์ที่เกิดจากการรับวิบากกรรมต่างๆก็จะไม่สามารถมากระทบกระเทือนพระไถยของพระองค์ได้เลยเช่นพระองค์ยังถึงแม้จะเป็นพระพุทธเจ้าก็ยังต้องรับ วิบากรรมที่ได้ทรงเคยทำเอาไว้ในอนดีตมีพระเทวทัตยพยายามปะทุสร้ายถึงสามครั้งด้วยกันแต่พระไทยของพระองค์กลับไม่หวั่นไหวแต่อย่างใดเพราะมีบุญมีกุศลเป็นเกราะคุ้มกันพระไทยนั่นเองนี่คือความสำคัญของใจ ที่พวกเราควรจะให้ความสำคัญกันอย่าไปหลงสร้างสมบัติภายนอกมากจนเกินไปสมบัติภายนอกนี้มีไว้เพื่อดูแลรักษาร่างกายของเราเท่านั้นไม่สามารถสร้างความสุขให้แก่ใจได้มีสมบัติมากเกินไปก็ไม่ได้ทำให้ใจมีความสุขมากขึ้นแต่อย่างใด กลับจะทำให้ใจมีความทุกข์มากขึ้นไปเพราะมีภาระมีความรับผิดชอบที่จะต้องคอยดูแลรักษาสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆทำให้จิตใจไม่สงบต้องกังกวลกังวายต้องคอยคิดคอยพิจารณาถึงการดูแลรักษา สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆสมบัติเข้าของเงินทองนี้ควรจะมีพอประมาณคือพอต่อความต้องการของร่างกายต่ออัตภาพต่อชีวิตคือให้มีปัจจัยสี่พอเพียงให้มีอยู่ได้จนถึงวันตายถ้ามีพอแล้วก็ควรที่จะ หันเข้ามาสร้างทรัพย์ภายในเพราะทรัพย์ภายในนี้มีคุณประโยชน์มากกว่าทรัพย์ภายนอกเป็นล้านเท่าเพราะหนึ่งทรัพย์ภายนอกก็ไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ของใจได้ 2. ทรัพย์ภายนอกก็ไม่สามารถเอาติดไปกับใจได้ ถ้าสร้างแต่ทรัพย์ภายนอกพอเวลาที่ร่างกายตายไปใจก็จะไปแบบมือเปล่าไม่มีอะไรติดตัวไปไม่มีทรัพย์ภายในถ้าไปแบบนั้นก็ไปแบบขอทานทางจิตวิญญาณไปแบบคนที่มีความหิวมีความอยากแต่ไม่มี อาหารไม่มีสิ่งต่างๆรองรับทำให้อยู่อย่างหิวไปตลอดเวลาต่างกับคนที่มีทรัพย์ภายในคนที่สร้างบุญสร้างกุศลอยู่เรื่อยๆใจจะมีสเบียงติดไปด้วยจะมีทรัพย์ <c oughs> มีอาหารคอยดูแลรักษาใจให้มีความอิ่มเอิอ มีความสุขอยู่ตลอดเวลานี่คือเรื่องของชีวิตเราชีวิตของเรานี้มีองค์ประกอบอยู่สองส่วนคือมีร่างกายและมีใจร่างกายนี้ไม่มีความสำคัญเท่ากับใจร่างกายนี้เป็นเพียงเครื่องมือของใจเท่านั้นเองถ้าใจมีสัมมาทิฏฐิ มีความเห็นที่ถูกต้องก็จะใช้ร่างกายไปในการสร้างทรัพสมบัติภายในให้แก่ใจถ้าใจมีมิจฉาทิฐิมีความเห็นผิดเป็นชอบก็จะใช้ร่างกายสร้าง ส, างสมบัติภายนอกสร้างความสุขที่ไม่จีรังถาวรทางตาหูจมูกนิ้งกาย แล้วก็สร้างไปได้ไม่นานก็จะหมดเวลาเพราะร่างกายนี้มีอายุไม่นานไม่เกินร้อยปีเป็นส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณ 60-80 ถึงปปีเงินทองต่างๆที่หามาได้ทั้งหมดเมื่อตายไปแล้วก็จะกลายเป็นสมบัติของผู้อื่นไป บริสัท์บริวารสามีภรรยาบุตรทีดาก็เช่นเดียวกันไม่สามารถเอาติดไปกับใจได้แต่ถ้ามีทรัพย์ภายในก็จะสามารถเอาติดไปได้ทั้งหมดและจะทำให้พบชาติที่จะตามมาต่อไปนี้เป็นพบชาติที่ดีขึ้น ที่มีความสุขมากขึ้นที่มีความทุกข์น้อยลงและเป็นภพชาติที่จะเข้าใกล้สู่พระนิพพานมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนี่คือกำไรหรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการสร้างทรัพย์ภายในใจได้ทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่เพราะทรัพย์ภายในใจนี้ เป็นเหมือนปัจจัยสี่ของใจเป็นเหมือนอาหารของใจเป็นเหมือนยารักษาโรคของใจเป็นเหมือนเสื้อผ้าอาภรณ์ของใจเป็นเหมือนที่อยู่อาศัยของใจใจที่มีทรัพย์ภายในนี้จะมีความอิ่มมีความสุขจะมีที่หลบภัยจากเรื่องราวต่าง ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันถ้าไม่มีที่หลบใจก็จะต้องทุกข์ร้อนวุ่นวายไปกับเรื่องราวต่างๆที่มากระทบกับใจถ้ามีที่หลบเวลามีเรื่องราวมาสัมผัสมากระทบก็หลบเข้าไปอยู่ในเรือนใจได้ทำจิตใจให้สงบ ไม่รู้ไม่รับรู้เรื่องราวต่างๆเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นถึงแม้จะมีอยู่แต่ก็จะไม่มาสร้างความเดือดร้อนให้กับใจได้เหมือนกับตอนนี้เราอยู่ที่นี่เราไม่รับรู้เรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นที่บ้านของเราหรือที่ทำงานของเราตอนนี้อะไรจะเกิดขึ้นที่ทำงานหรือที่บ้าน จะดีจะชั่วอย่างไรก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่รับรู้นั่นเองแต่ถ้าเราอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่ทางานเราก็จะอดที่จะรับรู้ไม่ได้เพราะเรามีตาเรามีหูพอเราเห็นเราได้ยินอะไรขึ้นมาเราก็ต้องรับรู้เรื่องราวเหล่านั้นขึ้นมาทันที แต่ถ้าเรามีปัญญาเรามีเรามีเรือนใจคือมีความสงบมีสมาธิเวลามีเรื่องวุ่นวายใจและเราไม่สามารถที่จะไปทำอะไรได้เราก็หลบเข้ามาภายในใจหรือถ้าเรามีธรรมโอสถมียาของใจเราก็ใช้ยานี้ดับความวุ่นวายใจได้ คือให้พิจารณาว่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่นี้เป็นธรรมดาอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีเรื่องวุ่นวายเป็นธรรมดาแต่เราไม่ต้องไปวุ่นวายกับเขาเท่านั้นเองถ้าเราปล่อยวางเสียอย่างเดียวเราอย่าไปเดือดร้อนแทนเขามันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเขาจะเป็นอย่างไรเราอย่าไปเดือดร้อนบริษัทเราจะล่มจมก็อย่าไปเดือดร้อนแทนบริษัท บ้านเราจะถูกไฟไหม้ก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนแท ง, งบ้านบ้านเขาไม่เดือดร้อนบริษัทเขาไม่เดือดร้อนเราที่ต่าหากที่ไปเดือดร้อนเพราะเราไปหลงไปคิดว่าเป็นของเรานั่นเองแต่ความจริงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงเป็นของเราเพียงชั่วคราวเป็นสมมุติเท่านั้นเอง วันดีคืนดีเราก็ต้องจากเขาไปเวลาเราตายไปบ้านก็ไม่ใช่เป็นของเรารรยสัย์ก็ไม่ได้เป็นของเราต่อไปดังนั้นถ้าเรามีปัญญาเราไม่ยึดไม่ติดเวลามีปัญหามีเรื่องวุ่นวายที่ทำงานหรือที่บ้านเราก็จะสามารถตัดได้ถ้าเรามี มียารักษาโรคใจไว้คอยดูแลใจยารักษาโรคใจนี้ก็เรียกว่าธรรมโอสถหรือปัญญานั่นเองเหมือนกับยารักษาโรคกายโรคกายนี้เกิดขึ้นจากอะไรก็เกิดจากเชื้อโรคแล้วก็รักษาด้วยอะไรก็รักษาด้วยยาพอมีเชื้อโรคเข้ามาในร่างกาย เราก็เอาอยามาฆ่าเชื้อโรคพ อ, อยาฆ่าเชื้อโรคหมดไปแล้วโรคก็หายเช่นเดียวกับใจของเราความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆของเราก็เกิดจากความหลงเกิดจากความโลภเกิดจากความโกรธเกิดจากความอยากนี้เองหลงไปคิดว่าเป็นของเราพอเกิดความคิดอย่างนี้แล้วก็จะเกิดความอยาก อยากให้บริษัทของเราจเจริญก้าวหน้าอยากจะให้บ้านของเราปลอดภัยจากภัยต่างๆแต่พอมีภัยมามาเบียดเบียนเข้าก็เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมา ท, าทันทีแต่ถ้ามีธรรมโอสฐ์เข้ามารักษาใจคือมาสอนให้ใจรู้ว่า บริษั์ก็ดีบ้านก็ดีนี้ไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริงและจะไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดสักวันหนึ่งเราก็ต้องจากเขาไปหรือไม่เะนั้นเขาก็จะจากเราไปเช่นเราทํากิจการแล้วล่มจมไม่สามารถที่จะรักษาบริษัต์ไว้ได้เราก็ต้องขายไป หรือถูกเจ้านี้เขายืดไปนั่นเองนี่คือเรื่องของโลกเป็นอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงซักวันหนึ่งเรากับเขาก็ต้องไปกันคนละทางไปแบบไหนถ้าไปแบบมียามีธรรมะก็จะไปแบบสบายใจไม่ทุกข์ไม่อุ่นวายใจถ้าไม่มียา ก็จะไปอย่างทุกข์ทรมานใจไปอย่างเศร้าโศกเสียใจ <Yeah. S 1> เช่นเวลาที่เราสูญเสียคนที่เรารักไปไม่ว่าจะเป็นสามีหรือเป็นภรรยาถ้าเราไม่มีธรรมโอสถคอยรักษาใจไว้พอเวลาจากกันไปหรือแยกทางกันไปจะมีความเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างมากแต่ถ้ามีธรรมโอสถ รู้ไว้ล่วงหน้าแล้วว่าสักวันหนึ่งต้องจากกันรู้แล้วว่าสักวันหนึ่งต้องแยกกันพอถึงเวลาก็จะไม่เดือดร้อนและก่อนก่อนที่จะแยกกันก็ไม่เดือดร้อนเหมือนกันไม่เหมือนกับคนที่ไม่มีธรรมโอสถไม่มียารักษาโรคใจแม้แต่ขณะที่อยู่ด้วยกันก็ยังกังวลยังห่วงยังทุกข์ กลัวว่าเขาจะจากเราไปหรือกลัวว่าเขาจะเปลี่ยนไปกลัวว่าเขาจะไม่ดีเหมือนที่เขาเคยเป็นอยู่แล้วยิ่งถ้าเวลาที่เขาจากไปก็ยิ่งเศร้าโศกเสียใจใหญ่แล้วยิ่งถ้าเขาทิ้งเราเขาทิ้งเราไปเราก็ยิ่งเสียใจใหญ่เพราะว่าเราไม่มียารักษาใจนั่นเอง พอใจเป็นโลกกําเลิกขึ้นมาก็ทุกข์ทรมารอย่างยิ่งบางครั้งทุกข์จนกระทั่งไม่อยากจะอยู่ต่อไปถึงกับต้องฆ่าตัวตายไปก็มีอยู่มากเราคงเคยได้อ่านข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์อยู่เรื่อยๆคนที่ฆ่าตัวตายนี้ก็เกิดจากการสูญเสียสิ่งที่ตนรักไปทั้งนั้นแหละเสียบริษัทไปเสียบ้านไป เสียคนรักไปคนเหล่านี้เขาไม่เคยมีเวลามาสร้างทรัพย์ภายในกันนั่นเองเขามัวหลงแต่สร้างทรัพย์ภายนอกมัวแต่หาคนนั้นคนดีมาเป็นสมบัติมาเป็นคู่ครองเขาจึงไม่มีปจัจจัยสี่ไว้คอยดูแลรักษาใจของขา ถึงแม้เขาจะมีอะไรมากมาแต่ใจของเขากลับมีแต่ความว้าวุ่นขุ่มัวมีความทุกข์ความไม่สบายใจอยู่แทบทุกวันแทบทุกชั่วโมงเลยก็ว่าได้แต่คนที่มีปัญญามีความเห็นที่ถูกต้องก็จะไม่หลงแสวงหาทรัพย์สมบัติเงินทองภายนอก มากจนเกินไปมากจนเกินความพอดีพอมีพอแล้วพออยู่พอกินแล้วไม่เดือดร้อนแล้วและมีเก็บไว้สำหรับวันข้างหน้าแล้วก็ไม่ไม่เสียเวลาไปทําให้มากไปกว่านี้เอาเวลามาสร้างทรัพย์ภายในดีกว่าเพราะทรัพย์ภายในนี้มีความจำเป็นอย่างมากต่อจิตใจ ต่อความสุขของเราเมื่อได้มาสร้างแล้วใจของเราก็จะมีความสุขมากขึ้นไปตามลำดับความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆก็จะมีน้อยลงไปเรื่อยๆจนไม่มีหลงเหลืออยู่ภายในใจเลยนี่คือการสร้างทรัพย์ภายใน ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสร้างมาเป็นตัวอย่างแล้วก็นํามาสั่งสอนให้พวกเรามาสร้างมาปฏิบัติตามในเบื้อต้านท่านสอนให้เราสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆที่เรามีอยู่ที่ไม่จําเป็นต่อการครองชีพของเราสละได้มากเท่าไหร่ยิ่งได้ทรัพย์ภายในมากขึ้นไปเท่านั้นถ้าสละได้หมดเลย ก็จะได้ทรัพย์ภายในอย่างเต็มที่เลยอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสละไม่เอาเลยแม้แต่สมบัติชิ้นเดียวเวลาที่ทรงเสด็จออกผนวชไปเพียงแต่เสื้อผ้าที่สวมใส่เท่านั้นและยังเสือสละเมื่อมีขอทานมาขอเปลี่ยนชุดที่พระองค์ทรงสวมใส่อยู่ขอทานเห็นว่าสวยมากอยากจะได้ อะไรขอเปลี่ยนชุดขอทานให้กับพระองค์พระองค์ก็ยินดีที่จะเปลี่ยนให้อย่างไม่รู้สึกเสียดายเลยเพอใจของพระองค์นี้มุ่งไปสู่การสร้างทรัพย์ภายในเพียงอย่างเดียวมีอะไรที่ให้ได้ยินดีที่จะให้หมดเลยนี่แลคือผลหรือการประพฤติของผู้ที่ มีบุญบารมีอย่างแท้จริงผู้ที่มุ่งต่อรับภายในอย่างแท้จริงผู้ที่มุ่งต่อการหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างแท้จริงต้องเป็นอย่างนี้ต้องกล้าที่จะเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่บุตรแม้แต่ภรรยาก็สละหมดไปเลยนี่เป็น การสร้างบุญสร้างกุศลขั้นแรกขั้นที่หนึ่งต่อจากนั้นก็ต้องสร้างบุญสร้างกุศลขั้นที่สองก็คือต้องรักษาศีลให้ครบบริบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นศีลาศีล8ศีล๑๐หรือศีล220จิตข้อต้องรักษาให้ได้หรือจะรักษาข้อเดียวก็ได้ก็คือรักษาใจ ถ้าใจสงบแล้วใจก็จะไม่ไปทำผิดศีลข้อต่างๆถ้าเราสามารถรักษาใจให้สงบได้ใจของเราก็จะไม่ไปทำผิดศีลผิดทางและการที่จะทำใจให้สงบได้ก็ต้องปฏิบัติขั้นที่สามสร้างบุญสร้างกุศลขั้นที่สามก็คือต้องทาจิตตภาวนา ทำจิตใจให้สงบแล้วก็ทำจิตใจให้ฉลาดเรียกว่าสมาธิและปัญญาขั้นต้นก็ทำจิตใจให้สงบก่อนจิตจะสงบได้ต้องมีสติคอยควบคุมบังคับไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ให้คิดอยู่กับเรื่องที่เรากำหนดไว้ เช่นให้คิดอยู่กับคำว่าพุโทโธพุธโทโธเพียงอย่างเดียวไม่ว่าเราจะทำอะไรเดินยืนนั่งนอนให้คิดอยู่แต่คำว่าพุโทโธไปเรื่อยๆถ้าไม่ไปคิดเรื่องอื่นแล้วใจก็จะค่อยสงบลงไปตามลำดับและจะสงบไปได้อย่างเต็มที่ในขณะที่นั่งขัดสมาหลับตา แต่ในขณะที่ไม่ น, ะนั่งขัดสมาริหลับตากำลังทำภารกิจอะไรต่างๆเราก็ควรที่จะบริกรรมพุทโธพุทโธไปควบคู่กับการกระทําของเราอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องอื่นเพราะจะไม่ทำให้ใจสงบแต่กลับจะทำให้ใจว่าวุ่นขุ่นมัว เมื่อคิดถึงเรื่องเง้นเรื่องนี้แล้วก็จะเกิดความวิตกเกิดความกังวลเกิดความหวาดกลัวตามมานั่นเองเกิดความฟุง้งซ่านตามมาแต่ถ้าคิดอยู่กับคําว่าพุโทโธไปเรื่อยๆไม่ว่าจะทําอะไรจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนก็แค่คิดอยู่กับพุโทโธไปแล้วรับรองได้ว่าจิตจะสงบจิตจะสบาย เมื่อจิตสบายแล้วก็จะมีความสุขเมื่อเราสามารถทําจิตให้สงบได้แล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องสอนใจให้ฉลาดให้พิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มาสัมผัสกับใจไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผพธ ภ, ภัหรือสิ่งอื่นๆทั้งหลายให้พิจารณาว่าไม่เที่ยง ไม่ใช่ของเราถ้าไปยึดไปติดจะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเช่นเห็นคนแล้วเกิดความชอบขึ้นมาก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะเมื่อชอบแล้วก็อยากได้เมื่ออยากได้ก็จะกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระสายต้องพยายามสุดวิถุกวิถีทางเพื่อให้ได้มาพอได้มาก็ดีใจเดี๋ยวเดียว แล้วก็มาห่วงมาห่วงมากลัวว่าจะไม่อยู่กับเราไปตลอดอีกนี่เรียกว่าเป็นความทุกข์เวลาเห็นอะไรไม่ว่าจะสวยหรือไม่สวยอย่าไปอยากได้ต้องสอนใจว่าจะเกิดความทุกข์ขึ้นมา ท, าทันทีถ้าไปอยากได้และจะไม่อยู่กับเราไปตลอดเพราะไม่เที่ยงแท้แน่นอน และจะไม่ดีไปตลอดเพราะไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่มีใครดีไปตลอดไม่มีใครชั่วไปตลอดคนเรามีดีชั่วอยู่ในตัวของเราแล้วก็สลับแสดงอาการดีชั่วออกมาแล้วแต่อารมณ์ที่ไปกระทบถ้าอารมณ์ดีไปกระทบก็จะเอาความดีออกมาถ้าอารมณ์ ชั่วไปกระทบก็จะเอาความชั่วออกมานี่คือธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอย่างนี้เขาไม่เที่ยงแต่แน่นอนเขามีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่เรื่อยๆตลอดเวลาไม่ว่าจะมาทางตาหูจมูกลิ้นหรือกายเวลาที่เราสัมผัดอย่าไปหลงยึดติดอย่าไปหลงรักหรือชัง ให้รู้เฉยๆแล้วปล่อยวางอย่าไปอยากได้อย่าไปอยากให้เขาหายไปสิ่งที่ไม่ชอบก็ต้องทำใจเอาไว้เห็นอะไรได้ยินอะไรที่ไม่ชอบก็ต้องทำใจให้เฉยๆอย่าไปเดือดร้อนเช่นเขาด่าเราหรือเขาว่าเราอย่างนี้ก็ทำใจเฉยๆคิดว่าเป็นเพียงเสียงเท่านั้นเองเหมือนกับเสียงที่เขาชมเรามันก็เป็นเสียงเหมือนกัน ถ้าเราฟังเหมือนเสียงนกเสียงกาเราก็จะไม่เดือดร้อนอะไรแต่ถ้าเราไปฟังเพื่อเอาความหมายเราก็จะเดือดร้อนได้ถ้าเราไปฟังว่าเขาด่าเราเราก็จะโกรธถ้าเาเราไปฟังว่าเขาชมเราเราก็จะดีใจเราไม่ควรฟังแบบนั้นเราควรจะฟังว่ามันเป็นเพียงเสียงเท่านั้นเองไม่ว่าจะเป็นเสียงชมเชยหรือเสียงด่าว่ากล่าว ก็เป็นเสียงเท่านั้นเสียงมันจะมาทำให้ใจของเราทุกข์ได้อย่างไรถ้าเราไม่ไปหลงไปยึดไปติดความทุกข์นี้ไม่ได้อยู่ที่เสียงแต่อยู่ที่เราไปไปยึดไปติดไปชอบไปชังเท่านั้นเองดังนั้นเราต้องมีปัญญาให้รู้ทันและปล่อยวางอย่าไปยินดียินรากับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วใจของเราจะไม่ทุกข์ นี่คือการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าที่ทรงปฏิบัติจนได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเมื่อทรงสามารถทำใจของพระ อ, องค์ให้ไม่ยินดียินร้ายกับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามพระ อ, องค์ไม่เดือดร้อนกับอะไรทั้งนั้นและพวรากายของพระ อ, องค์จะเจ็บไข้ได้ป่วยจะแก่หรือจะตายพระ อ, องค์ก็ไม่เดือดร้อนแต่อย่าง ใครจะเป็นอะไรญาติพี่น้องจะแก่จะเจ็บจะตายพระองค์ก็ไม่เดือดร้อนนี่แหละคือที่พึ่งของใจที่แท้จริงก็คือทรัพย์ภายในนี้เองหรือบุญกุศลที่พวกเรากำลังมาบาเพ็ญกันในวันนี้ขอให้พวกเราพยายามบาเพ็ญกันให้มากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเถอแล้วต่อไปเราจะกลายเป็นเศรษฐีทรัพย์ภายใน จะเป็นเศรษฐีธรรมเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและเราจะไม่มีความทุกข์มาเหยียบย่าทำลายใจของเราอีกต่อไปเลยจึงขอฝากเรื่องของการมาบาเพ็ญมาสร้างบุญสร้างกุศลสร้างทรัพย์ภายในดีให้ท่านได้นาไปพินิตพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไป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 ด้วยอายุวันนสุขตะาละโดยทั่วหน้าการเธอ